บทที่สิงไม่ว่าบนท้องฟ้าท่ามกลางสมุทรหรือในหุบเขาไม่มีแม้สักแห่งเดียวที่คนเราอาศัยอยู่แล้วจะหนีพ้นความตายได้ความเสื่อมห้าประการคือความเสื่อมญาตความเสื่อมโคพครับความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลและความเสื่อมทิฏฐิพิสูจ์ทั้งหลาย ความเสื่อมมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นไหนคือความเสื่อมญาตความเสื่อมพกคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสือเเอเส่อมศีลและความเสื่อมทิฏฐิในเรื่องนั้นอุปายาตเป็นไฉนคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้น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 ความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งในความเสื่อมที่ตรัสไว้แล้วหรือความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งในความเสื่อมที่ยังไม่ได้ตรัสไว้มีความเสื่อมมิสหายเป็นต้นน้ำในมหาสมุทรทั้งสมีประมาณน้อยน้ำคือน้ำตาของชนผู้ทุกข์กระทบแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้น สหายเหตุใดท่านยังประมาทอยู่ภิสษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรและยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรสองดอกฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเมื่อถูกทุกขเวทนากระทบแล้วย่อมเศร้าโศก ร่ำไรรำพันทุบอกคลั่มครวนย่อมถึงความฟันฟ่นเฟือนเขาย่อมสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจท้าส ก, กะตอบว่าอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าว่าก็ถูกละขอรับแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีทรงอุบัตกระผมได้ทํากรรมดีไว้เมื่อพุทธุปบบาทการดำเนินไปอยู่ เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองค์เหล่านี้คือจุล ร, รัตถเทพบุตรมหารัตถเทพบุตรและอเนกะวันนะเทพบุตรได้ทำกรรมดีแล้วมาเกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเดชมากกว่ากระผมทิพยพูสาจากเศร้าหมองทิพยามาลาย่อมเหี่ยวแห้งพระเศโถไหลออกจากพระกัจจะ ความมีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏในสรีระและเทวดาย่อมเบื่อหน่ายในทิพยพะยอาน จ, จิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดวันอยู่เสมอเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระองค์ผู้ที่ข่าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์เราไม่เห็นความสวัสดีแห่งลาวสัตว์นอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์และการสละทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลอีกคนหนึ่งได้ฟังหรือคาดคะเนว่าการมทั้งหลายในรูปประพบและอรูปภระพบสมบูรณ์กว่ากว า, วามในกรรมภพนั้น จึงทำรูปสมบัติและอรูปสมบัติให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจการมุปาทานแล้วไปเกิดในโลกรูปประพรมและอรูปประพรมด้วยกำลังแห่งสมบัติบุคคลอีกผู้หนึ่งเห็นว่าอันอัตภาพนี้ย่อมขาดศูนย์ไปเมื่อพบแห่งกามรร จ, จรสมบัติหรือรูปประพบและอรูปประพบใดแห่งหนึ่งขาดศูนย์แล้วจึงยึดถืออุเฉททิฐิ แล้วทำกรรมที่ควรแก่ทิฐินั้นบาปย่อมตามสนองคนเคา้าผู้ทำร้ายบุคคลที่ไม่ทำร้ายตอบผู้หมดโจดปราศจากกิเลสเหมือนทุลีที่ซัดทวนลมฉะนั้นพรามทูลว่าขอเดชะ การรักษาเป็นของยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ไม่อาจกระทำได้แต่ข้าพระองค์จากบูชายันที่มีการฆ่าสัตว์อย่างละสี่ทั้งหมดแล้วหลีกเลี่ยงไปพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงจับสัตว์อย่างละสี่เริ่มตั้งแต่นกมูลไถเป็นต้นมาคือช้างสี่เชือกม้าสี่ตัววัวสี่ตัว มนุษย์สีคนแล้วบูชายันที่มีการฆ่าสัตว์อย่างละสี่ทั้งหมดทำความสวัสดีแก่เราโดยพลันราตรีนานสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางยอดหนึ่งไกลสำหรับผู้ล้าแล้วสังสารวัตยาวนานสำหรับคนพ่านผู้ไม่รู้แจ้งพระสัตว์ธรรมบุคคลผู้หนึ่งเห็นว่าอันความสุขย่อมถึงความเต็มเปี่ยมแก่บุคคลผู้ทำศิลพรสนี้ให้บริบูรณ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 ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัดใจมีประการต่างต่างแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่า เป็นสัตว์บรุษเข้าใจว่าพระอระหันต์เปรียบด้วยนาบุญจึงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเมื่อให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจอันหนึ่งเมื่อบุคคลทำบุญกิรรยาวัตถุมีทานเป็นต้นอันเป็นกามาวจรให้เต็มหรือยังรูปฌานให้เกิดขึ้นเพื่อพ้นไปจากอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัย แก่บุญญาพิสังขารทั้งสองคือกา ร, รมาวจจรกุศสลและรูปาวาจรกุศสเหล่านั้นโดยความเป็นอุปนิสยาปัจจัยปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งมีกําลังในเรื่องนั้นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิย่อมนำพบที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติมาให้ญาณสัมมาทิฏฐิย่อมให้ปฏิสนธิในรูปภูมิและอรูปภูมิ มักในสัมมาทิฏฐิย่อมทำลายวัตตะผลสัมมาทิฏฐิย่อมห้ามพบถามว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิย่อมทำอะไรตอบว่าแม่วิปัสนาสัมมาทิฏฐินั้นก็ไม่นำปฏิสนธิมาให้ส่วนพระจุลภยเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวว่าถ้าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิ ที่บุคคลอบรมแล้วสามารถทำให้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันชาติข้อนี้เป็นการดีผู้มีอายุถ้าไม่สามารถให้ปฏิสนธิเจ็ดชาติได้กุศลเจตนาอันมีอัปมานธรรมคือมักผลนิพพานเป็นอารมณ์ที่มีในขณะต่างกันเป็นปัจจัยแก่วิบากรันที่มีการมาวจจรธรรม เป็นอารมณ์โดยความเป็นกามปัจใจในปริตตารัมาติกะคําว่าอปปานารั ม, มานาเจตนาเจตนาอันเป็นอัปปามณธรรมเป็นอารมณ์คือโคตรภูเจตนาของพระเสขะอีกทั้งควรกล่าวว่าเป็นปัจเจเวคณะเจตนาโลกุตรปัญญา ย่อมทำลายกิเลส ท, ที่ถูกละได้แล้วด้วยปัญญาฝ่ายโลกิยะตามกำลังก่อนดังนั้นพระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวโลกิยะสับไว้อันหนึ่งทาสองคืออวิชชาและตัณหาพึงทราบว่าเป็นมูลแห่งภาวะจากนั้น ภาวะจักนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มีอวิชชาเป็นมูลมีเวทนาเป็นที่สุดเป็นภาวะจักหนึ่งเพราะนำปัจจุบันผลมาแต่ส่วนเบื้องต้นส่วนอดีตและส่วนที่มีตัณหาเป็นมูลมีชรามรณะเป็นที่สุดเป็นภาวัจักหนึ่งเพราะต่อกับผลส่วนเบื้องปลายส่วนอนาคต อั น, นการของภวจักนั้นมีสาคืออดีตปัจจุบันและอนาคตในการทั้งสานั้นว่าโดยที่มาในพระบาลีโดยจานวนองค์สองคืออวิชชาและสังขารเป็นอดีตการองค์8มีวิ ญ, ญญาณเป็นต้นมีพบเป็นที่สุดเป็นปัจจุบันนาการองค์สองคือชาติและชรามรณะ พื่ทราบว่าเป็นอนาคตการความหลงในกรรมภพก่อนเป็นอวิชชาความขวนขวายเป็นสังขารความชอบใจเป็นปัญหาความยึดมั่นเป็นอุปทานเจตนาเป็นภพทำห้าประการนี้เป็นกรรมภพก่อนย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพปัจจุบันนี้ในสี่ข้อนั้นทำสองประการเหล่านี้ คืออาวิชาและสังขารย่อมกล่าวไว้ด้วยบาทคาถาว่าอตีเตเหตตะโวปัญจะเหตในการล่วงแล้วห้าแต่ยังหมายรวมถึงตัญหาอุปทานและกรรมภพอีกเพราะกรรมภพมีได้เนื่องจากอุปทานเป็นปัจจัยแก่คนไม่รู้ที่ทะเยอทะยานเมื่อทะเยอทะยานแล้วย่อมถือมั่น ส่วนในคำว่าภาวะจักมีวัตตสามหมุนไปไม่หยุดนี้ภาวะจักนี้มีวัตตสามโดยวัตตสามเหล่านี้คือสังขารและภพเป็นกรรมวัฏอวิชชาตัญหาและอุปท า, านเป็นกิเลสวัฏวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเป็นวิปากวัิพึงทราบว่ากิเลสวัฏยังไม่ขาดลงตราบใดเป็นสภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีปัจจัยที่ต่อเนื่องย่อหมุนไปอยู่ตราบนั้นเพราะดำเนินไปรอบแล้วรอบเล่าคำว่าอายุหนาสังขาราความขวนขวายเป็นสังขารหมายความว่าเจตนาดวงแรกแรกของบุคคลผู้ทำกรรมนั้นดังเช่นเจตนาดวงแรกแรกที่เกิดขึ้นแก่ทายก ผู้ยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราจักให้ทานแล้วตรเตรียมอุปกรณ์แห่งทานอยู่เดือนหนึ่งก็ดีปีหนึ่งก็ดีชื่อว่าสังขารส่วนเจตนาของทายกนั้นผู้วางทักษิณาลงในมือของปฏิคาหกทั้งหลายได้ชื่อว่ากรรมภพอีกอย่างหนึ่งเจตนาในชวนาจิตหกขณะที่มี อวัชนะจิตอย่างเดียวกันเป็นความขนขวายชื่อว่าสังขารเจตนาในชวนะจิตดวงที่เจชื่อว่ากรรมภพอีกอย่างหนึ่งเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่ากรรมภพธรรมที่ประกอบร่วมกับเจตนาเหล่านั้นเป็นความขนขวายชื่อสังขารอันหนึ่งในอดีตภพ เมื่อบุคคลผู้จวนจะตายเพราะความสิ้นไปเองหรือเพราะการกระทำร้ายไม่อาจทนความรุมร้าแห่งศาสตราที่ก่อให้เกิดความเจ็บเจียนตายซึ่งเชื้อเฉือนข้อต่อและเส้นเอ็นทั่วอวัยวะใหญ่น้อยเหลือที่จะทนคลั้นร่างกายสูบซีดไปโดยลำดับดุดใบาตาลสดที่เขาวางไว้ ในแดดค่อยเหี่ยวแห้งไปครั้นจกขุนสีเป็นต้นดับไปแล้วกายินรีมณินรีและชีวิตินรีคงเหลืออยู่แต่ในหัตทยวัตถุวิญญาณที่อาศัยหัตทัยวัตถุเท่าที่เหลืออยู่ในขณะนั้นก็ปรารบเอาคารุกรรมกรรมหนักสมาเสวิตกรรมกรรมที่ทาเนืองเนืองอาสันนกรรม กรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายปุเพกะตะกรรมกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าสังขารอันได้ปัจจัยที่เหลือหรือปรารภเอาอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมนิมิตมีรูปารมณ์เป็นต้นและคตินิมิตที่ถูกญาติเป็นต้นทำให้ปรากฏขึ้นแก่วิญญาณ น, นั้นแล้วเป็นไป ตัณหาในอารมณ์นั้นที่อวิชชาปกปิดโทษไว้เพราะยังละตัณหาและอวิชชาไม่ได้ก็ชักเอาวิญญาณ น, นั้นที่เป็นไปอยู่อย่างนี้ไปสังขารที่เกิดร่วมกันก็ช่วยซัดวิญญาณ น, นั้นไปวิญญาณที่ถูกตัณหาซักเอาไปถูกสังขารทั้งหลายซัดไปอยู่โดยความสืบเนื่องกันนั้นก็ละทิ้งที่อาศัย คือหัยวัตถุเดิมได้ที่อาศัยใหม่ในปัจจโวการภูมิอันกรรมสร้างขึ้นบ้างไม่ได้ที่อาศัยใหม่ในจัตุโวการภิบ้างเป็นไปด้วยปัจจัยมีอารมณ์เป็นต้นเท่านั้นดุดคน่นวงเชือกซึ่งผูกต้นไม้ที่ฝังในไว้ข้ามครองไปฉะนนั้น แ, แล คำว่าอภิชานาติหมายความว่าย่อมรู้เฉพาะด้วยยาตาปริญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคำว่าปริชานาติหมายความว่าย่อมรู้ชัดด้วยตีรณปริญญาเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละจำเดิมแต่การนั้นอุบาสิกานั้นทําการสาธยายอาการ32สอง ตั้งความเสื่อมสิ้นไปในตนได้บรรลุมรกสาและผลสามก่อนกว่าภิกษุเหล่านั้นทีเดียวอาตมาไม่ยินดีความตายไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่และรอเวลาอยู่เหมือนลูกจ้างรอรับค่าจ้างเพราะความดับอย่างไม่มีเหลือของตัญหานั้นด้วยมรคยานอันประเสริฐอุปทานจึงดับ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 ถามว่ากลุ่มสี่อย่างเหล่านี้คืออะไรตอบว่าคืออวิชชาและสังขารเป็นกลุ่มที่หนึ่งวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเป็นกลุ่มที่สองตัณหาอุปทานและพบเป็นกลุ่มที่สาชาติชาราและมรณะเป็นกลุ่มที่สี่ ในที่เชื่อมต่อสามอย่างนั้นที่เชื่อมต่ออันหนึ่งระหว่างสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณชื่อว่าเหตุผลสนธิต่อเหตุกับผลที่เชื่อมต่ออันหนึ่งในระหว่างเวทนากับตัณหาชื่อว่าผลเหตุสนธิที่เชื่อมต่ออันหนึ่งในระหว่างภบกับชาติชื่อว่าเหตุผลสนธิ ต่อเหตุกับผลพึงทราบว่าภวะจักนี้มีที่เชื่อมต่อสามอย่างที่มีเหตุผลและเหตุเป็นประธานอย่างนี้เหตุในอดีตมีห้าอย่างผลในปัจจุบันมีห้าอย่างเหตุในปัจจุบันมีห้าอย่างผลในอดีตมีห้าอย่างส่วนในคําว่าภวะจักมีวัตตะสามหมุนไปไม่หยุดนี้ ภาวะจักนี้มีวัตตะสามโดยวัตตะสามเหล่านี้คือสังขารและภพเป็นกรรมวัตอาวิชาตันหาและอุปทานเป็นกิเลสวัฏวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเป็นวิปากวัฏพึงทราบว่ากิเลสวัฏยังไม่ขาดลงตราบใดเป็นสภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีปัจจัยต่อเนื่องย่อมหมุนไปอยู่ตราบนั้นเพราะดําเนินไปรอบแล้วรอบเล่าวิบากย่อมเป็นไปเพราะกรรมวิบากเกิดจากกรรมพบใหม่ก็มีได้เพราะกรรมโลกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ลำดับแห่งขันธาตุและอายตนะที่ดําเนินไปอยู่ไม่ขาดสายชื่อว่าสังสารวัตรอันหนึ่ง ในปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้มีนายแสดงเนื้อความสี่ประการคือเอกัตนานานัตนาอัพยาปารณายและเอวังธรรมตานายเพราะเหตุนั้นจึงควรทราบภาวะจักนั้นโดยจำแนกตามนายกตามควร มัชิมานิกายมูลปันนาฏมหาตันหาสังคยสูตรในในทั้งสี่เหล่านี้ความไม่ขาดสายแห่งกระแสรูรปนามดังนี้คือเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นเหมือนภาวะที่มเมล็ดถึงความเป็นต้นไม้เพราะความมีหน่เป็นต้นสืบต่อกันมา ชื่อว่าเอกัตตนยัยซึ่งทำให้บุคคลผู้เห็นถูกละอุเฉททิฏฐิได้เพราะยังรู้ความไม่ขาดสายแห่งกระแสรูรปนามอันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลเมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นสัตสตะทิฏฐิเพราะถือเอาความไม่ขาดสายแห่งกระแสรูรปนามอันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กัน แห่งเหตุและผลว่าเป็นอย่างเดียวกันอนหนึ่งเอกัตนาัยก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นจากปัจจัยเพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายของกระแสรูรปนามด้วยความสัมพันธ์ของเหตุและผลในขณะนั้นโยคีย่อมละอุเฉททิฏฐิ ได้ดียิ่งขึ้นกว่าการละด้วยทิฏฐิวิสุทธิส่วนการกำหนดลักษณะเฉพาะตนของธรรมทั้งหลายมีเอาวิชาเป็นต้นชื่อว่านานั ต, ตนายซึ่งทำให้บุคคลผู้เห็นถูกละสัตตตทิฏฐิได้เพราะเห็นความเกิดขึ้นแห่งสภาวธรรมใหม่ๆเมื่อเห็นผิดไปย่อมใจยึดมั่นอุเฉททิฏฐิ เพราะถือว่ากระแสรูรปนามที่ต่างกันซึ่งดำเนินไปในกระแสรูรปนามเดียวกันเป็นของต่างกันนานัตตนายก็ปรากฏชัดด้วยความเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะที่กําลังปรากฏเพราะอย่างรู้ลงความเห็นขึ้นของสังขารใหม่ๆ ใ, ในขณะนั้นโยคีย่อมละสัสตทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้น ภาวะที่อวิชชาไม่มีความขนขวายว่าข้าทําให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นหรือว่าสังขารไม่มีความขนขวายว่าข้าทําให้วิญญาณเกิดขึ้นเป็นต้นชื่อว่าอัพยาปารนัยซึ่งทําให้บุคคลผู้เห็นถูกและอัตติฐิได้เพราะอย่างรู้ว่าไม่มีอัตตาผู้ทำ เมื่อเห็นผิดไปย่อมจะ ย, ยึดมั่นอกิริยทิฏฐิเพราะไม่ถือเอาความเป็นเหตุของอวิชชาเป็นต้นที่มีได้แน่นอนตามสภาวะแม้ความไม่มีความขนขวายอันหนึ่งอัพยาปารนัยก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้นด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยปัจจัย เพราะอย่างรู้ว่าสภาววัธรรมเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปในอำนาจในขณะนั้นโยคีย่อมละอัตติธิได้ดียิ่งขึ้นส่วนในว่าความเกิดขึ้นของผลมีสังขารเป็นต้นย่อมมีได้จากเหตุมีอวิชชาเป็นต้นเท่านั้นดุดความเกิดขึ้นแห่งนมส้มเป็นต้นที่มีจากนมสดเป็นต้น มีใช่อื่นชื่อว่าเอวังธรรมตาัยซึ่งทําให้หยุดบุคคลผู้เห็นถูกและอเหตุตุกะทิฏฐิและ อ, ก, ละอกิรยิยะทิฏฐิได้เพราะยังรู้ผลตามสมควรแก่เหตุเมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นไอเหตุตุกะทิฏฐิและนิยะตวาทะเพราะไม่ถือเอาความเป็นไปแห่งผลตามควรแก่เหตุแล้ว ยังถือว่าสิ่งอะไรๆมิได้เกิดแต่เหตุอะไรๆส่วนเอวังธรรมตาานก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นของผลตามสมควรแก่เหตุในขณะนั้นโยคีย่อมละอากิริยะทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้น